บัดนี้จักได้แสดงธรรมะกถาสืบต่อไปจงฟากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่7คนอาชาในพระพุทธภาษิตทุทลโภปุริสาชันโยนโสสัพพั ท, ทชายติ ยัตถโสชยตีทีโรตังกุลังสุขเมทติแปลว่าคนอาชนายหาได้ยากไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชนายนั้นเป็นนักปราดเกิดในที่ใดที่นั่นย่อมมีความสุขคนอาชนายคือคนที่ได้รับการฝึกแล้วทำนองเดียวกับสัตว์อาชนาย คือสัตว์ที่ได้รับการฝึกแล้วฝึกจนใช้งานได้อย่างดีตามที่ต้องการของผู้ฝึกเราจะเห็นว่ามีสัตว์อาชนยอยู่หลายประเภทเช่นมา้าช้างโคสุนักเป็นต้นแต่แมวเป็นไม่ได้เพราะแมวฝึกไม่ได้ไม่เคยมีใครสามารถฝึกแมวได้ทั้งในอดีตและปัจจุบันในอนาคตก็คงเหมือนกันพระาศาสดาตรัสว่า คนทั้งหลายย่อมนำสัตว์ที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมเสด็จขึ้นสู่พระราชพานะที่ฝึกแล้วแต่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดม้าช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นอาช า, ายัยแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วยังประเสริฐกว่านั้นพวกสัตว์จะฝึกเพียงไรก็มีความสามารถเพียงแค่สัตว์เป็นอภ พ, พะ ไม่อาจบรรลุอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นได้แต่มนุษย์หรือคนสามารถฝึกให้เป็นขีณาศพคือสิ้นกิเลสได้จึงประเสริฐกว่าสัตว์ที่ฝึกแล้วทั้งปวงยอดแห่งคนอาชนัยคือพระพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์ฝึกแล้วอย่างดีแล้วทรงฝึกผู้อื่นให้เป็นอย่างพระองค์ด้วยจึงมีพระนามว่าอานุตตรโภุริสธรรมสารถิ ทรงเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมได้ทรงฝึกอย่างไรทรงมีวิธีฝึกมากมายหลายประการทรงฝึกอย่างละมุนละม่อมบ้างอย่างรุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทรงมีอุบายวิธีอันฉลาดล้ำในการฝึกคนและสัตว์พึงเห็นตัวอย่างช้างนาลาคิรีซึ่งเมามันดุร้าย นันโทปนันทะนาคราชพระองค์ทรงฝึกได้ด้วยอุบายวิธีคือพระเมตตาและการแสดงลิ์สมดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่ า, วาช้างตัวประเสริฐชื่อนาลาคิรีเป็นช้างเมามันโหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่ามีกำลังเหมือนจั ก, กราวุธและสายฟ้าพระจอมมุนีคือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยน้ำคือพระเมตตา ด้วยเดชของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเกี่ยวกับการทรมานนันโทปนันทะนาคราชนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะไปทรมานดังที่พระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าพระจอมมุนีให้พระมหาโมคคลานะผู้บุตรผู้เป็นพระเถระประเสริฐไปทรมานนันโทปนันทะนาคราช และชนะได้ด้วยอุปเทแห่งฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านส่วนที่เกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์นั้นทรงมีอุบายฝึกมากมายสุดจะนำมาพลนาในที่นี้ให้หมดสิ้นได้เช่นที่ทรงฝึกโจรองคุริมานนางจินจมานวิกาอาระวะกคะยักษ์สัจจกะนิครณ นางปตาจาราพระราหุลเป็นต้นล้วนแต่ทรงใช้วิธีการอันชลาดเหมาะแก่อัธยาศัยอุปนิสัยวาสนาบา ร, รมีของคนคนนั้นทั้งสิ้นจึงได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่าศัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งพระองค์ทรงเลิศด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาอย่างไม่มีใครเสมอเหมือน ไม่มีผู้เทียบเท่าและมีความสามารถอันสูงเยี่ยมในการฝึกผู้อื่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นด้วยคำว่าคนอาชานายหาได้ยากในพระคาถานีหมายเอาพระขีนาสพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบุรุษอาชานายนั้นเกิดในที่ใดในสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นย่อมบรรลุ ถ, ถึงความสุขตรงกันข้ามกับบุุษกาลก น, นี หญิงกาลกณนีเกิดที่ใดสกุลใดที่นั้นสกุลนั้นมีแต่ความทุกข์ทำให้สกุลตกต่าทาลายสกุลกดสกุลส่วนบุรุษอาชานายคือคนดีนั้นทำให้สกุลสูงส่งขึ้นเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องเพื่อนฝูงบุรุษอาชานายนั้นท่านว่าเป็นนักปราดนักปราดคือคนเช่นใดคือคนฉลาดรอบรู้มีศิลปวิทยามีความประพฤติดี จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมความว่าเป็นผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีและมีความสามารถดีคนอาชนายคือคนที่ฝึกแล้วตามความหมายนี้ทุกคนสามารถเป็นอาชนายได้เพียงแต่รู้จกักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอทุกๆวันโดยสำนึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราควรทำได้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงแต่เท่านี้ วิธีฝึกตนได้พรฒนามามากแล้วในอัตตวัคขวรนน า, นาและการฝึกจิตก็ได้พรฒนามามากแล้วในจิตวัคขวรนน า, นาท่านผู้ต้องการโปรดตรวจดูในอัตวัคและจิตวัคะนั้นเถิดเรื่องนี้พระศ า, าสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวถีทรงปรารบปัญหาของพระอานนเทระมีเรื่องย่อดังนี้ วันหนึ่งพระอาอนนทเถระนั่งณนะที่พักกลางวันคิดว่าพระาศาสดาได้ตรัส บ, บอกที่เกิดของสัตว์อาชนายแล้วคือช้างอาชนายเกิดในตระกูลช้างฉันทันหรือในตระกูลช้างอุโปโสดม้าอาชนายเกิดในตระกูลม้าสินทพหรือม้าวลาหกโคอาชนายเกิดในทักษีนาปท ะ, ะชนบทส่วนที่เกิดของปรุษอาชนายมิได้ตรัส บ, บอกไว้ บุตอาชนัยเกิดในที่ไหนหนอแลท่านเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามถึงข้อข้องใจนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าคนอาชนัยไม่เกิดในที่ทั่วไปเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในมัจฉิมะประเทศคือส่วนกลางไม่เกิดในตระกูลสามัญแต่จะเกิดในตระกูลขติยมหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า คนอาชานายหาได้ยากย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคนอาชานายนั้นเป็นนักปราดเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขมีในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตสุขโขพุทธานมุปปาโทสุขาสัธรรมมเทศสนา สุขาสังคัศสศะสามัคคีสมัคคานังตโปสุขโขแปลว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตว์ปรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพียงของหมู่ก็เป็นเหตุนำสุขมาให้ตบะของผู้พร้อมเพียงกันก็อย่างนั้น พระตกรถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั man, <hygiene. S 2> ้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานเพราะราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงนำสุขมาให้สัตว์ทั้งหลายต้องประสบทุกขนานาประการมีชาติทุกข์เป็นต้นเมื่อได้ฟังธรรมที่สัตตบรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงย่อมพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้น เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของสัตว์ุรุษจึงชื่อว่านำสุขมาให้ความเป็นผู้มีจิตเสมอกันชื่อว่าสามัคคีติสมจิตต า, ตาความสามัคคีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสุขการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาทุดงก็ดีการทำสมณธรรมก็ดีของชนผู้พร้อมเพียงกันคือของผู้มีจิตอย่างเดียวกันก็เป็นเหตุนาสุขมาให้ เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตบะของผู้พร้อมเพียงกันนำความสุขมาให้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังพร้อมเพียงกันประชุมยังพร้อมเพียงกันเลิกประชุมยังพร้อมเพียงกันทากิจที่ควรทำของหมู่คณะอยู่เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลย ความจริงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของสัตตบุรุษและการได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษนั้นเป็นของได้โดยยากยิ่งดังได้พรรณน า, นาไว้บ้างแล้วในเรื่องที่สามแห่งวรนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารกัดาลในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณ ของพระองค์นั้นมีคุณธรรมทุกอย่างที่เป็นตัวอย่างให้พุทธบริษัททำดีอย่างพระองค์ท่านตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงสุดเป็นธงชัยคือโพธิญาณทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของมวลมนุษย์โดยการสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์ จะดับทุกข์ได้อย่างไรและอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ผู้ฟังแล้วเลื่อมใสเชื่อถือนำไปปฏิบัติก็ได้พบความสุขจริงกเกษมปลอดโปร่งจริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงนำความสุขมาสู่ชาวโลกเหมือนกันอุทัยขึ้นของดวงอาทิตย์นาแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นโบราณอาจารย์จิงประพันยกย่องไว้ว่า มหาการุณิโกนาโถอัตถายะสัพพานินางเป็นต้นความว่าพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงมีพระมหากรุณาดุดห่วงมหนันโนทรงบำเพ็ญพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดเพื่อประโยชน์บาลีว่าอัฏฐายะเพื่อความดีหิตายะและเพื่อความสุขสุขายะของสัตว์มีชีพทั้งหลาย เมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วถึงความสุขส่วนพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทรงแผ่ความสุขนั้นไปให้มวลชนทุกหมู่เหล่าโดยการแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินผู้ฟังนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามก็ได้รับประโยชน์สุขสมควรแก่การปฏิบัติความสุขที่พระองค์ได้รับมานั้นเพราะทรงปฏิบัติชอบจึงทรงชักชวนมวลชนให้ปฏิบัติชอบ เพื่อความสุขเช่นนั้นบ้างพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงนําให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นเองธรรมนั้นเองย่อมพุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสาวกของพระองค์ผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วจึงส่งทอดกันต่อๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัศมีแห่งธรรมได้แผ่กระจายไปหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับเอาพุทธธรรมเป็นธรรมประจำชาติความจริงการสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดดังข้อความตอนหนึ่งในสิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชว่าการที่บุคคลประพฤติธรรมแล้วชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยจัดเป็นธรรมทานไม่มีทานใดยิ่งกว่าธรรมทานเป็นงานที่มีเกียรติที่สุด ถ้าปรากฏว่าประชาราษฎรประพฤติ ธ, ธรรมและชักชวนการประพฤติ ธ, ธรรมตามความมุ่งหมายของเราข้อนี้จะเป็นเกียรติสูงสุดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าธรรมที่พระเจ้าอาโศกทรงหมายถึงในที่นี้ทรงย้ําหนักในสองอย่างคือความไม่เบียดเบียนหรืออหิงสาอย่างหนึ่งและสมาธิอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นสมาธิมีความสาคัญกว่าเพราะผู้มีใจสงบ ย่อมไม่เบียดเบียนถ้าพระธรรมเข้าถึงใจคนและคนรักธรรมจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนก็จะถูกกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อความดีงามทั้งหมดข้อนี้จะเห็นได้จากข้อความที่พระเจ้าอาโศกโปรดให้จารึกไว้ว่ากองทัพของพระองค์ในอดีตบัดนี้กลับมาเป็นกองทัพธรรมช้างม้ารถที่เคยใช้ในกองทัพจับศึก บัดนี้กลับมาเป็นยานพาหนะประกาศธรรมกลองที่เคยใช้ตีในกองทัพกลับมาเป็นกลองประกาศธรรมแม้ประทีปที่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ในสงครามบัดนี้กลับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกาศธรรมนีขัดจากสาระสำคัญในศิลาจารึก ข, ของพระเจ้าอาโศกปราตกถาของพระอมรมุนีวัดราชาัิการามพระนคร เมื่อคนรักธรรมสิ่งที่เคยเป็นอุปกรณ์สร้างความโหดร้ายธารุนความอาฆาตพยาบาทและความไม่เป็นธรรมทั้งหมดกลับมาเป็นอุปกรณ์ของเมตตากรุณาการให้อภัยกันและความเป็นธรรมพระองค์เสด็จที่ใดข้าราชการของพระองค์ไปที่ใดคือการเคลื่อนขบวนกองทัพธรรมเป็นขบวนการที่ทำบุคคลและงานทั้งสิ้นให้เป็นทางเดินของธรรม การแสดงธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนำความสุขมาสูขปเจกระชนครอบครัวและสังคมดังพรนานามาชนีข้อว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้นั้นพรนานาความว่าความสามัคคีคือความปรองดองกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันแต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงว่าสามัคคีคือความมีจิตเสมอกัน สามัคคีติสมะจิตตาโทษของความไม่สามัคคีมีมากเพียงใดคุณของความสามัคคีก็มีมากเพียงนั้นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงโลกมูลเหตุแห่งการแตกสามัคคีพอสรุปได้เป็นสาประการคือ 1. รังเกียจกันเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่คือไม่มีศีลสามัญญาตา 2. มีความเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเรื่องความเห็นคือขาดทิฏฐิสามัญญาตา 3. ผลประโยชน์ขัดกันส่วนมูลเหตุแห่งความสามัคคีมี 3. เหมือนกันคือมีศีลสามัญญาตามีทิฏฐิสามัญญาตาและผลประโยชน์ลงรอยกลมเกลียวไปกันได้ผลประโยชน์ไม่ขัดกัน ความประพฤติคือระดับความเป็นอยู่ประจำวันถ้าคนอยู่ด้วยกันสองคนคนหนึ่งสะอาดมากคนหนึ่งสกปรกมากก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรังเกียจกันจะใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหรือหม้อข้าวร่วมกันก็ไม่สะดวกเพราะคนหนึ่งทำสกปรกอีกคนหนึ่งคอยทำความสะอาดทำาสะอาดแล้วคนที่มีนิสัยทางสกปรกก็มาทำสกปรกเสีอีกอยู่ร่วมกับคนสกปรกเป็นทุกอย่างหนึ่งไม่เท่าไรก็ต้องทะเลาะกันแยกกันไป สามัคคีกันไม่ได้ในหมู่ข้าราชการพวกหนึ่งทุจริตช่อราชบังหลวงอีกพวกหนึ่งไม่เอารังเกียจทุจริตสองพวกนี้ก็เข้ากันไม่ได้ความประพฤติไม่เสมอกันในหมู่พระสงฆ์ยิ่งเห็นชัดเมื่อมีศีลไม่เสมอกันก็รังเกียจกันไม่มีทางจะเข้ากันได้นี่กายต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีความเห็นไม่ตรงกันเรียกว่าขาดทิฏฐิสามัญญตา เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันความประพฤติการกระทาก็ไม่ตรงกันเพราะบุคคลย่อมดำเนินชีวิตตามทางที่ตนเห็นชอบพูดอย่างนักปรัชญาก็ว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนใครมีความเห็นว่าอย่างไรดีก็ดำเนินชีวิตไปตามความเห็นนั้นตัวอย่างการดื่มโซราบางคนเห็นว่าควรเว้นเด็ดขาดบางคนว่าดื่มบ้างเป็นบางคราวดีบางคนว่าดื่ม ทุกวันสนุกทุกวันเป็นต้นเขาย่อมทำอย่างที่เขาเห็นนี่แสดงว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนความสามัคคีเป็นรถอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสามัคคีรัะคือมีความสุขความเบิกบานเมื่อได้เห็นได้อยู่ร่วมหรือได้สนทนาวิสาสะกับคนที่เรามีความชอบพอรักใคร่ ตรงกันข้ามการได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังได้อยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกันเป็นความทุกขอย่างหนึ่งสมดังที่ทรงแสดงว่าปิยานังอาทัศนังทุกขงังอปิยานันจะทัศนังการไม่ได้เห็นไม่ได้พบคนอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การได้เห็นได้พบคนอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์รวมลงในปิยวิปโยคทุก และอปิยพสัมภ yok ทุกขแปลว่าพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้านที่พ่อแม่พี่น้องไม่กลมเกลียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีให้กันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจแม้จะเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ไม่สุขส่วนบ้านน้อยแต่คนในบ้านรักใคร่กรมเกลียวกันดีมองกันด้วยสายตาที่แสดงความรักสนิทสนมอยู่ก็เป็นสุข ท่านจึงว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอันหนึ่งท่านว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเหมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังบ้านใดเมืองใดคนแตกร้าวกันมากบ้านนั้นเมืองนั้นท่านว่าตัวอุบาทลงตัวอุบาทในที่นี้คือความแตกสามัคคีนั่นเอง เส้นหญ้าฟันเป็นเกลียวแล้วยังสามารถผูกสัตว์ใหญ่ได้แต่เชือกเส้นใหญ่เมื่อนำออกทีละเกลียวให้แยกกันอยู่ย่อมง่ายแก่การถูกทำลายผ้าที่เราใช้นุ่งห่มทั้งมวลไปจากเส้นได้แต่ละเส้นรวมกันบ้านโรงเรือนหรือตึกที่ใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากก็เพราะการเกาะกลุ่มกันถูกส่วนของสัมภาระต่าง เมื่อแยกออกแต่ละส่วนคำว่ารถหรือเรือนก็ไม่มีความสามัคคีกันยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพรนานามาชนีข้อว่าตะบะของผู้พร้อมเพียงกันเป็นสุ k น, นตะบะท่านหมายถึงการทำคุณความดีเช่นการรักษาศีลให้ทานการฟังธรรมการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นความสามัคคีของผู้ประพฤติธรรมเช่นนักพรต มีภิกษุเป็นต้นนั้นมีความสําคัญต่อสังคมมากท่านว่าเมื่อกษัตริย์ทะเลาะกันกับกษัตริย์เมื่อพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์หรือเมื่อชาวบ้านทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มๆแต่เมื่อสมณะทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันหมดทั้งเทวาและมนุษย์อันหนึ่งเมื่อสมณะทะเลาะกันคนทั้งหลายก็ติเตียนมากว่าจะประสาอะไรกับพวกเราแม้ท่านเป็นสมณะย่างทะเลาะกัน ทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายความเลื่อมใสทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้นึกดูหมิ่นเหยียดหยามท่านว่าขรุหัดทะเลาะกันเพราะกามบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฏฐิความไม่ทะเลาะกันเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งไม่มีเวรมีภัยกับใครในที่ไหนไหนสมดังพระพุทธภาษิตว่าวิวาทังพยโตทิสวาอวิวาธัญจะเขมะโต สมักขาสกิลาโหตะเอสาพุทธานุสาสนีท่านทั้งหลายเห็นการวิวาทกันโดยความเป็นภัยและเห็นการไม่วิวาทกันโดยความเป็นธรรมอันกเกษมคือปลอดโปร่งแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพียงประนีประนอมกันเถิดนี่คือพุทธานุสาสนนอันหนึ่งพระาศาสดาทรงสแสดงไว้อีกว่าการสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพียงกันเป็นความสุข ผู้ยินดีในการพร้อมเพียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันกเกษมจากโยคะการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพียงกันย่อมมีคุณค่ากว่าการสนับสนุนคนผู้แตกกร้กันท้งนี้หมายถึงผู้พร้อมเพียงกันเพื่อความดีเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเพราะทรงปรารบภิกษุมากลุ่ด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้ วันหนึ่งภิกษุห0 0รรูปนั่งสนทนากันที่อุปสานสาลาว่าอะไรหนอเป็นความสุขในโลกนี้บางพวกว่าราชสมบัติเป็นความสุขที่สุดบางพวกว่ากามาสุขเป็นยอดของความสุขบางพวกว่าการบริโภาคข้าวสาลีคุกด้วยเนื้อเป็นความสุขที่สุดรวมความว่าพวกหนึ่งยกย่องกามพวกหนึ่งเห็นแก่กินและอีกพวกหนึ่งเห็นแก่เกียรต พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าความสุขที่พวกเธอกล่าวนั้นหรือกล่าวถึงนั้นเป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัตตะทั้งสิน้นแต่การเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขในโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขโขพุทธานมุปปัโทเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น เมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุหลานนั้นได้สาเร็จอรหัตผลก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะถ้าเราได้ฟังธรรมสํานึกในธรรมนี้มันไม่มีอะไรที่จะทาให้เราต้องเดือดร้อนเลย น, นี่เพราะว่าธรรมนั้นท่านมุ่งให้เราสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับจิตใจนี่ถ้าว่ามาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ห่างธรรม ถ้าเราอยู่ในธรรมมันไม่มีเรื่องถ้าเราออกนอกธรรมมันเรื่องมันเยอะนี่เพราะธรรมคือความสงบถ้าไม่ใช่ธรรมมันก็วุ่นวายยิ่งหนักแน่นในธรรมความสงบยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสมณะผมถึงว่าสมณะอ่าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าถ้าสมณะทะเลาะ ก, กันในเดือดร้อนถึงเทวดา อินพรมนวลไม่ธรรมดาเนยบาปหนักเหมือนกันเนี่ยชาวบ้านทะเลาะ ก, กันอย่างงานนั้นเนาะอย่างเดือดร้อนเป็นกลุ่มๆแค่นั้นเองเนีแต่สัมม น, นี้เพราะว่าสมณะนี้เป็นที่เคารพบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงเดือดร้อนแยกเป็นนะทะเลาะทาบสัมมนทะเลาะ ก, กันเทวดาก็ทะเลาะกั น, กกนพรมก็ทะเลาะ ก, กั น, เ, นเพราะว่าเป็นพวกของใครของมันเหมือนกันเทวดา ศรัท ธ, ธาพระองค์นี้พระองค์นั้นมาติก็เลยคอยแตกันอีกมันมากมายถึงขนาดนั้น 9. ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตปูชาละเหปูชยโตพุทเทยะทิจะสาวเกปะปัญจะสมติกันเตตินะโสกะ ปริทเวเตตาทิเสปูชยโตนิปุเตกักุโตพะเยนะสกาปุญญังสังขาตุงเอเมตมะปิเกนะจิแปลว่าเมื่อบุคคลบูชาคนที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้อยู่ข้ามพ้นปัปัจจธรรมวงเล็บคือเครื่องเนินชา้าเสียได้แล้วข้ามพ้นความโศก ความร่ำรวยลำพันธ์ได้แล้วเมื่อบูชาคนเช่นนั้นอยู่ผู้ดับสนิทแล้วผู้ไม่มีภัยในที่ไหนไหนบุคคลย่อมไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อธิบายว่าพรนนาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้า4ประการคือ 1. ผู้ข้ามพ้นประปัญจธรรมได้แล้วสองผู้พ้นความโศกและความร่ําไรลาพันธ์ได้แล้ว 3ผู้ดับสนิทแล้วสผู้ไม่มีภัยในที่ไหนไหนปปัญจะทรรมทรงหมายเอากิเลสสามประการคือตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งกิเลสทั้งสามประการนี้เรียกว่าปปัญจะรมเพราะทำให้เนิ่นช้าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่อาจข้ามทางกันดานคือวัตสงสารได้กิเลสสาประการนี้เรียกคาหะก็มี คาหะแปลว่าผู้ยึดไว้ดึงไว้เหนี่ยวรังไว้ตัวอย่างในอนัตตลกคณะสูตรแสดงคาหะทั้งสามประการคือ 1. เอตังมะมะเท่ากับนั่นของเราจัดเป็นตันหาคาหะ 2. อเอโสขมัตสมิเท่ากับเราเป็นนั่นจัดเป็นมานะคาหะ 3. เอโโซเมอตตาเท่ากับนั่นเป็นตัวตนของเราจัดเป็นทิฏฐิคาฮะตันหาคือความริ่นรนจับสวยสิ่งต่างๆโดยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นของเรานี่ของเรามาณะคือความทะนงตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้เราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ากว่าเขาทิฏฐิคือความยึดมั่นในความเห็นในตัวตนว่านั่นคือตัวตนของเราพระาศาสดาตรัสว่า ปุตตามัติธนมัติอิติภาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนติกุโตปุตตากุโตทนังคนเขาเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราความจริงแล้วตนของตนก็ไม่มีแก่ตนบุตรและทรัพย์จักมีได้อย่างไรพิจารณาตามปรัชญาสายสุญญาวาสและโยคาจาร พระพุทธภาสิตนี้ยืนยันความเป็นอนัตตาและสุญญาตาแห่งสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโดยตัวของมันเองที่เห็นว่ามีเพราะตัญหาอุปาทานเข้าไปจับต่างหากเมื่อยังมีตัญหาอุปาทานอยู่ความโศกความรำพันบ่นเพอ้อถึงก็ตามมาพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก ละตันหาหรืออุปทานได้แล้วจึงไม่มีความสโสความร่าไรลําพันธ์อันเป็นผลของตันหาอุปทานอีกต่อไปตันหามานทิฐิของท่านดับสนิทแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนไหนหมดความรักความชังภัยก็เป็นอันหมดไปด้วยสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าปิยโตชยเตโสโกปิยโตชยเตปิยโตชยเตพยังปิยโตวิปมุต ตัดสนันติโสโกโกุโตพยังพระบาลีว่าเปมโตชายเตโสโกโกม็มีความว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความรักและสิ่งที่รักเมื่อพ้นจากความรักและสิ่งที่รักแล้วความโศกและภัยจะมีได้อย่างไรภัยนั้นตามตัวอักษรแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่ทรงกลัวสทุกสถาน พระโลมาราบสนิทในที่ทุกแห่งไม่ทรงกลัวสิ่งใดเพราะกเกเรตันเป็นเหตุให้กลัวได้ทรงละเสียแล้วการบูชาท่านผู้มีคุณควรบูชาดังกล่าวมาใครๆไม่อาจคำนวณผลได้ว่าประมาณเท่าใดคือมีมากเหลือประมาณเช่นการบูชาของนายสุมาณมาลาการการบูชาของนางปัญจปาปานางอุมาทันตี วงเล็บเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในสาระสำคัญแห่งมงคล38ข้อว่าบูชาคนที่ควรบูชาและกระถาว่าด้วยทานการบูชาท่านผู้ควรบูชานั้นมีสองอย่างคืออามิตรสบูชาหนึ่งปฏิปฏิบูชาหนึ่งการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ทูกเทียนเครื่องสการะอื่นๆและการให้อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัย และยาแก้โรคเพื่อบูชาคุณเรียกว่าอามิษสบูชาแปลว่าบูชาด้วยอามิษการปฏิบัติตามคําสอนของท่านผู้ควรบูชานั้นเรียกว่าปฏิปฏิบูชาในสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปฏิปฏิบูชาว่าเป็นเยี่ยมเพราะสามารถนําตนให้พ้นจากทุก์ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะปรินิพานทรงปรงพระชนมายุสังขารแล้ว ภิกษุทั้งหลายต่างก็โศกเศร้ารำพันถึงพระองค์แต่มีพระสองรูปไม่เศร้าโศกไม่ยอมชุมนุมรำพันถึงพระศาสดาพระสองรูปนั้นรูปหนึ่งชื่อธรรมมารามอีกรูปหนึ่งชื่ออัตตทัตทะภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นอาการของท่านทั้งสองแล้วนำความไปกราบทูลพระศาสดาว่าเมื่อพระองค์ปรงพระชนมาายุสังขารแล้วภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันเป็นกลุ่ม อะไรในการที่พระองค์จะต้องปรินิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าแต่พระธรรมารามและพระอัตถทัตทะไม่มีอาการโศกเศร้าเสียใจเลยไม่ร่วมสนทนาถึงพระองค์กับภิกษุทั้งหลายอื่นพระศาสดาให้เรียกภิกษุสองรูปนั้นมาเฝ้าตรัสถามว่าเหตุไรจึงทำเช่นนั้นภิกษุทั้งสองรูปกราบทูลเหมือนกันว่าข้าพระองค์บวชในศาสนาของพระองค์ อุทิศพระองค์เมื่อทราบว่าพระองค์จกปรินิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าข้าพระองค์คิดว่าควรจะต้องรีบทําความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกก่อนที่พระองค์จะปรินิพานเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ให้ทันตาเห็นเพราะเหตุนี้แหละข้าพระองค์จึงไม่เที่ยวไปเป็นกลุ่มๆ ก, กับภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกรำพันถึงพระองค์อย่างภิกษุทั้งหลายพระเจ้าข่า พระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสยกย่องภิกษุสองรูปนั้นว่ามีความคิดดีและกระทําสิ่งที่เป็นการบูชาพระองค์อย่างยิ่งภิกษุใดต้องการบูชาพระองค์ขอให้ทําอย่างภิกษุสองรูปนี้เพราะบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงการบูชาคนที่ควรบูชาหรือสถานที่อันควรบูชานั้นท่านจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่งมีผลภัศาลนับไม่ได้แก่ผู้บูชา พระศาสดาตรัสเรื่องนี้ท่งปรารภเจดีทองของพระกัสปะทศพลมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้สมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์หมูใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองพระราณศีโดยลำดับสเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งใกล้บ้านโตทยคาม ในระหว่างทางทรงแวะประทับใกล้เทวสถานแห่งนั้นรับสั่งให้พระธรรมพันธาคาริกหมายถึงพระอานนท์ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมไปบอกพราหมณ์ซึ่งกําลังทํากสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลนักมาเฝ้าพราหมณ์นั้นมาเฝ้าพระศาสดาแต่ไม่ยอมถวายอภิวาทไหวเทวสถานนั้นแล้วยืนอยู่พระศาสดาตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านคิดว่าสถานที่นี้เป็นอะไร ข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทูลตอบข้าพระเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นเจติยสถานตามประเพณีข้าพระเจ้าจึงวหายิ่เป็นสถานที่เคารพกันมาตามประเพณีพระศาสดาตรัสให้เขาชื่นชมว่าดีแล้วที่ท่านวหายเจติยสถานแห่งนี้ภิกษุที่ตามเสด็จเกิดสงสัยว่าเหตุไรหนอพระตถาคตเจ้าจึงทรงสนับสนุนการไหว้หรือบูชาเทวสถาน พระทศพลมีพระประสงค์จะทรงแก้ข้อสงสัยของภิกษุทั้งหลายจึงตัดเทศนาคติการสูตรบ่งเล็บคติการสูตรปรากฏในมัชฌิมะปัญนาฏพระไตรปิฎกเล่ม13สทรงสแสดงถึงเรื่องที่พระองค์เป็นโชติปาละมานพในสมัยนั้นกับคติการอุบาสกในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้า แล้วพระองค์ทรงเนรมิตรพระเจดีย์ทองของพระกัตสปะทสพลทั้งสูงและใหญ่ให้ปรากฏแก่ตาของมหาชนแ ล, ล้วตรัสกับพรามว่าการบูชาซึ่งบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้เป็นการสมควรแท้ดังนี้แล้วทรงสแสดงทูปา ร, ะระหะบุคคลสี่จำพวกคือพระพุทธเจ้าพระปเจกวุธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงสแสดงเจดีย์สประเภทคือ สรีระเจดีหนึ่งอุเทสิกะเจดีหนึ่งบริโภคเจดีหนึ่งวงเล็บสรีระเจดีคือพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีคือรูปเคารพบริโภคเจดีคือเครื่องใช้ของท่านเหล่านั้นแล้วตรัดพระคาถาว่าปูชาละเหปูชยโตเป็นอาทิมีนัยะดังพันนนามาแล้วแต่ต้น ถามว่าผลของทานและอปะจายนั ก, กรรมคือการทําความเคารพนับถือของผู้ทําแก่พระพุทธเจ้าเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่และผู้ผริญนิพพานแล้วต่างกันอย่างไรตอบว่าเมื่อมีจิตเสมอกันผลย่อมเหมือนกันสมดังที่เท้าสะกะเทวราชตรัดไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิตเสมอกันผลของกรรมนั้นย่อมเท่ากันเพราะใจเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเมื่อจบเทศนาพรามนั้นได้บรรลุโสดาปติผลพระเจดีทองสูงตั้งยศได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศตลอดเจวันมหาชนพากันมาบูชาเป็นอันมากต่อมาคนทั้งหลายมีความคิดเห็นต่างกันออกไปพระเจดีทองจึงหายไปพระเจดีศิลาใหญ่ได้มาแทนที่ตรงนั้น วคที่14ชื่อพุทธวควรรณนารวม9้าเรื่องจบเพียงเท่านี้